ผานามสยามยุภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนนพลนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนั ก, กองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาทิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนั ก, กองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทยไทยได้รบ ก, กับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิสถานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบห้าองค์กวางโดยตกเป็นเฉลยศึก ททัพไยฝ่ายพระยากำแพงเพชรจัดการที่โคกสแก่เสร็จแล้วจึงสั่งให้ทหารไทยหามองค์กวางโดยขึ้นขี่ช้างเดินมาในกองทัพพระยากำแพงเพชรพระยากำแพงเพชรก็ยกทัพกลับมายังเมืองเชิงกระชุมตามท้ายทัพพระยารามคำแหงซึ่งคุมยวนเฉลยหนึ่งรหี่คน กับช้างมา้าโคต่างเดินมาเป็นลําดับกันหาพบเจ้าพระยาบรินเดชากลางทางไม่เจ้าพระยาบรินเดชาเดินทัพไปถึงเมืองเชิงกระชุมกอดแล้วขณะเมื่อกองทัพเจ้าพระยาบรินเดชาเดินบกมากลางป่านั้นพวกเขมรป่าดงขุมกันเป็นพวกผู้ร้ายลอบมาแอบยิงกองทัพไทยที่เดินเมื่อยลา้าป่วยไข่อยู่ข้างหลังในกลางป่านั้นตายมาก ประมาณ 20-30 เตศนายทัพนายกองไทยนําความมากราบเรียนเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาทราบเหตุการณ์นั้นแล้วโกรธนักจึงพูดว่ายวนมาเบียดเบียนบ้านเมืองขมิญขมิจึงขอกองทัพไทยมาปราบปรามยวนยวนก็พ่ายแพ้ไปบ้างแล้วบัดนี้ขมรกลับใจ มาเป็นกบฏ ท, ทรยศทำร้ายข้าไทยเสียอีกเล่าจะละไว้ให้เนิ่นช้ากว่าการสกดยวนจะสำเร็จนั้นไม่ได้ขมนจะกำเริบมากขึ้นทุกวันจำจะต้องปราบปรามขมนเหล่าร้ายให้เข็ดลาบเสียก่อนจึงจะเดินทัพต่อไปได้พูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งหลวงครั้งกรมการเมืองปราจีนบุรีให้ขึ้นม้าเร็ว รีบไปสั่งทับหน้ากองพระยาราชสงครามให้หยุดทับแรมอยู่ที่นี่ก่อนว่าจะจับขมิญเหล่าร้ายได้บ้างจึงจะไปได้แล้วสั่งหลวงไกรนารายหนึ่งหลวงจมจะตรงหนึ่งหลวงนารานรงค์หนึ่งหลวงจงใจยุทธหนึ่งพระโยธาธิราชหนึ่งพระกัมจรใจราชหนึ่งพระชาติสุเรนหนึ่งพระโยธาสงครามหนึ่ง ให้เป็นนายกองขุมพร่พลแบ่งไปจากกองทัพใหญ่ให้ได้กองละห้าสิบคนทั้งแปดกองให้ยกแยกย้กายกันไปเที่ยวค้นตามขมิเหล่าร้ายในป่าให้ได้มาบ้างครั้งนั้นกองทัพทั้งแปดไปพบขมรในป่าดงได้ตัวมาถามได้ความว่าพวกเหล่าร้ายที่ฆ่าไทยนั้นตั้งบ้านอยู่ในดงใหญ่กองทัพไทยให้ขมรที่ให้การนั้นนำทางไป จับได้ทั้งครอบครัวขมิเหล่าร้ายชายหญิงลูกวิ่งลูกจูงกว่าต้อนมาสิน้นจนฉันแต่หญิงมีคันและคนแก่ชราก็ไล่มาด้วยรวมร้อยยี่สิบหกคนทั้งแปดกองเจ้าพระยาบรินเดชาให้พระพิทักษ์บริทนทรขมิเมืองพระตะบองถามได้ความรับเป็นสัตว์ว่าเดิมเห็นไทยมาตียวนก็ยินดีบัดนี้ไทยถอยทักหนียวนมา รวยยวนจะยกทัพใหญ่มาตามไทยแล้วยวนก็จะว่าเขมรเข้ากับไทยแล้วจะฆ่าพวกเขมรเสียเพราะฉะนั้นพวกเขมรจึงร่วมคิดกันจะจับไทยไว้ให้แก่ยวนสักเก้าคนสิบคนพอเป็นทางที่จะแก้ตัวให้ยวนเห็นว่าเขมรยังรักนับถือยวนอยู่จึงได้จับไทยมาให้ยวนแต่จะจับไทยไทยก็สู้แข็งแรงจึงได้ฆ่าเสียบ้าง จับไทยไปได้แต่แปดคนป่วยตายเสียสี่คนยังเหลืออยู่ที่บ้านบึงอีกสี่คนก็ส่งมาให้แก่นายทัพไทยทั้งแปดกองแล้วเจ้าพระยาบริณีชาได้ทราบดังนั้นแล้วจึงให้พระอินทราธิราชเขมรเก่านำทัพไทยทั้งแปดกองไปตีปล้นบ้านบึงในดงซึ่งเขมรเรียกชื่อบ้านนั้นว่าประพังทมไพรสอง แปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านบึงหนองใหญ่ในป่าดงทัพไทยทั้งแปดกองระดมตีล้อมบ้านหมู่นั้นได้พวกครอบครัวขมรเหล่าร้ายมาอีกหกสิบสี่คนรวมเข้ากันเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบคนเจ้าพระยาบรินเดชาสั่งให้เลือกแต่ขมรชายชะกันร้อยสี่คนแล้วให้ปลูกร้านสูงสองศอกคืบผาพวกขมรชายชะกันร้อยสี่คนขึ้นบนร้าน แล้วจึงจุดดินปืนใต้ร้านคลอกตายสิ้นทั้งร้อยสี่คนแต่ชายแก่ชรากับหญิงและเด็กนั้นรวมแปดสิบหกคนให้ปล่อยไปสิ้นหยุดตามจับเขเมนอยู่สองวันปราบปรามสิ้นแล้วก็เดินทับต่อไปหามีเหตุร้ายดังเช่นแต่ก่อนไม่จนถึงเมืองเชิงกระชุมพักพนอยู่ที่นั่นเป็นการแรมให้รีพลรื่นเริงมีกำลังหาอาหารกินตามสบายบ้างครั้น พระยากำแพงเพชรพาตัวองค์กวางโดยเดินทับมาถึงเมืองเชิงกระชุมแล้วจึงทราบว่าองค์กวางโดยแม่ทับยวนนั้นหายป่วยแล้วได้พาไปหาเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาให้ล่ามถามว่าอายุเท่าไรองค์กวางโดยบอกว่าอายุหกสิบแปดปี แล้วให้ล่ามถามต่อไปเป็นคําให้การขององค์กวางโดยโดยให้การว่าอายุหกสิบแปดปีเป็นขุนนางฝ่ายบูมีตำแหน่งยศเป็นนายทหารรักษาป้อมใหญ่หน้าศึกได้เข้าเรียนหนังสือเป็นขุนนางตั้งแต่อายุสิบแปดปีอยู่ในเมืองหลวงมาช้านานครั้งหนึ่งได้เป็นทูตที่สองไปจิ้มป้องกรุงปักกิ่งเว้นมาแปดปีได้เป็นราชทูตใหญ่ ไปจิ้มก้องกรุงปักกิ่งอีกแล้วต่อนั้นมาก็ได้เคยไปจิ้มต้องกรุงปักกิ่งอีกสี่ครั้งเป็นหกครั้งครั้งที่หกได้ไปถวายบรรณาการพระธันตธาตุพระเขี้ยวแก้วที่เมืองลังกาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อฝรั่งเศสยกกองทัพเรือกังปานใหญ่มาขอพวกบาดหลวงต่อพระเจ้าเวียดนามพระเจ้าเวียดนามหาให้ไหม่กองทัพเรือฝรั่งเศสยิงปืนถูกเรือรบ และป้อมของยวนแตกเสียหายเป็นอันมากภายหลังฝรั่งเศสยกมาอีกพระเจ้าเวียดนามใช้ ใ, ให้ไปรบกับฝรั่งเศสจึงได้นํำปืนขึ้นภูเขายิงไปถูกเรือรบกํำปั่นฝรั่งเศสจะเสียหรือไม่เสียก็ไม่ทราบแต่ทัพเรือฝรั่งเศสกลับไปหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าเวียดนามจึงได้เลื่อนยศตําแหน่งขึ้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ชั้นที่สี่ให้เป็นแม่ทัพไปรบเมืองต่างๆ ถ้ามีการสึกสงครามที่กรุงเวทครั้งใดก็เป็นหน้าที่พนักงานขององค์กวางโดยทุกครั้งครั้งนี้จึงได้มาพร้อมกับองค์ลำโดยองค์ลำโดยเป็นเชื้อพระาติพระวงศ์ของพระเจ้าเวียดนามให้มาเป็นคู่คิดกับองค์กวางโดยด้วยสิ้นคําให้การแต่เท่านี้รูปพันธ์ขององค์กวางโดยนั้นขาวสะอาดอ้วนล่าต่าเตีย้ยท้องผุยสะดือจุน ผมขาวทั่วทั้งศีรษะไม่มีดำแสมเลยสักเส้นเดียวหนวดงอกขาวยาวปราลงมาถึงสะดือตาพองๆคลายตาแขกรูปพันธ์ร่ำสันสมเป็นขุนนางแม่ทัพใหญ่ฝ่ายบูกิริยาสแสดงว่านาใจเป็นคนองอาจดังตรงฉินเมื่อองค์กวางโดยแม่ทัพยวนเดินเข้าไปหาเจ้าพระยาบดินเดชานั้นจะได้มีกิริยาสทกสถานเกรงกลัวความตายก็หาไม่ เดินไปถึงที่หน้าทำเนียบนั้นล่ามบอกว่าให้นั่งลงก็นั่งขัดสมาธิสองชั้นกระดิกเท้าอยู่เสมอล่ามบอกว่าให้กราบไหว้เจ้าคุณแม่ทัพเสียก่อนจึงนั่งให้สบายองค์กวางโดยตอบว่าเราก็เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายญยวนเขาก็เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยตําแหน่งวาสนาเสมอกันจะกราบไหว้กันอย่างไรได้ผ่าเราไปฆ่าเสียก็ไม่ไหว้แล้ว พูดเท่านั้นก็กระดิกเท้าอยู่เสมอดูเหมือนน้ำใจไม่ย่อท้อกลัวเกงเลยแต่หน้าเจ้าพระยาบรินเดชาก็ไม่แลดูจะเป็นเพราะความอายหรือความมานะถือตัวอย่างไรก็ไม่แจ้งในใจเขาฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาได้ทราบถ้อยคำองค์กวางโดยพูดดังนั้นแล้วจึงว่าแม่ทัพยวนคนนี้เกิรยาองค์อาจน้ำใจก็กล้าหาน สมควรจะเป็นชายนายทหารไว้ซือรักษาเกียรติยศยิ่งกว่ารักชีวิตไม่คิดกลัวตายชายอย่างนี้หายากมักพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งให้ล่ามบอกองควางโดยว่าเราจะไม่ฆ่าจะเลี้ยงให้เป็นขุนนางนายทหารต่อไปองควางโดยตอบว่าไม่สมัครอยู่เป็นข้าไทย อยากแต่จะกลับไปบ้านเมืองซึ่งเป็นชาติภูมิเดิมอย่างเดียวถ้าไม่ให้กลับไปแล้วก็ให้ค่าเสียเิอเจ้าพระยาบริเนชาได้ทราบดังนั้นแล้วก็หัวเราะชอบใจแล้วพูดสรรเสริญต่างๆต่อไปจึงสั่งให้พระยารามคำแหงนำสิ่งขององค์กวางโดยมาคืนให้สิ้นทุกสิ่งแล้วสั่งให้พระยากาแพงเพชรพาตัวองควางโดยไปจำรวนไว้ก่อนจะส่งไปยังกรุงเทพ ให้ทำนุบำรุงไว้ให้ดีอย่าให้ตายด้วยเป็นคนสำคัญอยู่เรายังจะทำศึกสงครามกับยวนต่อไปข้างหน้ามากเมื่อองค์วางโดยต้องจำตรวนอยู่ในค่ายนั้นผู้คุมจะจับจ่ายใช้การงานก็ไม่ทำเลยครั้นผู้คุมเร่งรักตักเตือนให้ช่วยทำการงานบ้างกลับเอาไม้ตีศีตะผู้คุมแตกแล้วขีดมือไปที่ดาบให้มาฟันคอฆ่าตัวเสียโดยน้ำใจกล้าสามารถไม่กลัวตาย ผู้คุมก็ไม่อาจจะเคลื่อนตีได้เพราะเป็นคนสาคัญจะทรงไปยังกรุงเทพเมื่อเดินทัพมาจากโคกสแกนั้นหยุดค้างที่ไหนผู้คุมจะให้องควางโดยเดินขึ้นลงหลังช้างองควางโดยก็ไม่เดินทุกๆุกคราวผู้คุมต้องหามขึ้นส่งลงทุกครั้งฉันแต่จะหยุดช้างพักนอนจะให้เดินไปถึงที่ชุมนุมก็ไม่เดินต้องอุ้มต้องหามทุกคราวทุกคราวไป ครั้นนายทัพในกองไทยให้ล่ามว่ากล่าวบอกให้เดินขึ้นลงจากหลังช้างบ้างกลับตอบกับล่ามว่าให้เอาดาบมาฆ่าเสียก็ไม่เดินไทยอยากพาเราไปก็ให้อุ้มหามเราไปเถิดเมื่อไทยไม่อยากอุ้มหามเราแล้วก็ให้ฆ่าเสียเถิดดีกว่าอุ้มหามไปอีกเล่าองค์กวางโดยพูดดังนี้เสมอทุกคราวโปร่งช้าง เป็นคนใจอย่างยอดทหารหาผู้เสมอไม่ได้ผู้คุมไทยกลัวอำนาจแม่ทัพใหญ่ก็ต้องอุ้มหามไปจนถึงเมืองเชิงกระชุมเมื่อจำาปวนอยู่ในค่ายนั้นก็เหมือนอย่างจำเจ้านายเพราะจะใช้อะไรก็ไม่ได้ทุกครั้งอา๋นามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบห้าองค์กวางโดย ตกเป็นเฉลยกองทัพไทยกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป